2. โกศิยวะส 2. สุทธาการะกะสิกขาบทว่าด้วยการทำสันทัสดโดยใช้ขนเจียมดําล้วนเรื่องพระชัพคี547สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนกะูตาคาระสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้น พวกภิกษุชพักคีใช้ให้ทําสันถัดขนเจียมดําล้วนพวกชาวบ้านเที่ยวไปตามวิหารเห็นเข้าจึงพากันตนําหนิประนามโพลทนาว่าฉนัยพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรจึงใช้ให้ทําสันถัดขนเจียมดําล้วนเหมือนขฤรือหัดที่ยังบริโภคกามเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกชาวบ้านตนําหนิประนามโพลทนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตําหนิ